มาของพระเจ้าเป็นของเก่าแม่ใชของใหม่กิเลสกับิเลสตัวเก่าโลภกวนหลงของเก่าทำกรรมจัดกิเลสของของเก่าเสียสมาธิปัญญาของเก่าฉะนั้นเรื่องการฟังธรรมะยังไม่มีของใหม่เป็นแต่ของเก่าทั้งนั้นแต่ของเก่าที่พระพุใจเจ้าเนี่ยสอนก็ไป็นใจของล่าสมัยใหม่สําหรับผู้ที่ปฏิบัติ ผูลงมือปฏิบัติกำจัดชั่วออกจากตัวก็ไดเสื่อใหม่คือจิตใจจะเปลี่ยนใหม่จากความ <c oughs> วุ่นวายขัดข้องจากความเศร้าหมองเดือดร้อนต่างๆให้มาเข้าถึงถึงความเยือกเย็นเป็นสุขสงบละ ง, งับดังนั้นคำคำสังสอนของผู้ใจเจ้าจึงไม่มีการมีสมัยเป็นอาการลี่โก คือยังคงสิ่นเส่นคงวาอยู่ไม่มีเรื่องลับดับไปตามวันเวลาที่ผ่านไปใครตั้งใจประฏิบัติอาจทมส่วนนั้นกว่ายังมีความสุขทางกายทางใจตลอดมาดังนั้นศาสนธรรมคำสั่งสอนจึงเยืนโยงคงอยู่ไม่มีการเสื่อมสลายไปแต่เสื่อมสลายสำหรับใจคนสำหรับผู้ที่เป็มปฏิบัติ คนนั้นถึงแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงมีชีวิตอยู่คนนั้นก็จะไม่ได้รับสาระประโยชน์อะไรทางกายทางใจของเขาเคยแผดเขาเดือดร้อนด้วยกิเลสตัณหามานาชิติอย่างไรก็ใจคงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะเขาไม่ได้เอาทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปซักก็อจิตใจของเขาไม่ได้รับบรรเทาเบ า, บาบางลงไปผู้ใดนำธรรมมาสอนกายสอนใจของตัว ปู่นั้นก็ <c oughs> จะมีความสุขความสบายทำจึงยังคงอยู่เพราะมีปู่กับเพื่อนปฏิบัติตามอาดตามทำของพระพุทจเจ้าเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็มีความสุขความสบายตามฐานาหน้าที่ของตนตามข่อวัดปฏิบัติของตนทำจึงเหนือน ก, นกันกับอาหารการบริโภคอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของเรา ทุกคนที่มีชีวิตยืนยงคงอยู่ก็เพราะอาศัยอาหารการรับประทานให้ร่างกายมีกําลังเรียวแรงไม่อย่างนั้นไม่ทานอาหารลงไปหลายวันเท่าร่างกายก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้าหรือถึงกับลมตายหายไปกว่าดั้งนั้นการทานอาหารการกินอาหารจะมีการกินอยู่บ่อยไม่อย่างนั้นร่างกายก็จะอ่อนเพีย การปฏิบัติปฏิบัติอาจทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถึงขั้นถึงที่ก็รจะต้อง ป, ปฏิบัติเรื่อยไปหมายถึงกายใจอาศัยกันอยู่แม่พระพุทธเจ้าจะตัดสู้ได้มรรคได้ผลพระพุทธองค์ก็ยังปฏิบัติเพื่อเป็นวิหารธรรมสม่ำเสมออยู่ไม่ใช่ว่าการได้มรรคได้ผลถึงที่สุดวิมุตินิพพานจะไม่ปฏิบัติอะไร พระพุทธเจ้าหรืออาหารอาหัตอรหันยังเข่านิโรธสมาบัตยังปฏิบัติตอาจทำสม่ำเสมอแต่การปฏิบัติของท่านไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติจะละจะบําเพ็ญเหมือนพวกเราทั้งหลายส่วนพวกเราทั้งหลายที่มีกิเลสประจํากายประจําใจจะต้องมีการละกิเลสออกไปมีการบรําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้กล่าวหนาไม่เหมือนพระพุทธเจ้าหรือเหล่าสาวกซึ่งท่านปฏิบัติ เป็นมิหารธรรมของท่านแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติเพื่อความให้หลุดออกไปในทางขั่วต่างๆบำเพ็ญความดีให้ทวีคูณขึ้นเพื่อให้จิตของตัวเป็นมีมุดถึงที่สุดของคําสอนที่พระพุทธเ จ, จ้าสอนไว้ฉะนั้นการปฏิบัติกายใจไม่ว่าใครทั้งหมดยิ่งต้องปฏิบัติ กันอยู่เรื่อยๆไปถ้าหากใครไม่ไปฏิบัติกายใจของตัวคนนั้นก็จะไม่มีมความเห็นเด่นขึ้นเรื่องความสุขก็จะอาศัยแต่อามิตสภายนอกเป็นเครื่องสุกใจแต่อามิตรส่วนนั้นถ้าหากว่าใจของเราไม่ยินดีใจของเราขัดข้องใจของเราเศร้าหมองใจของเราหมืดมนไปแล้วอามิตรจะมีมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะทําใจ จะได้รับความสุขความสบายเราเคยเห็นเคยได้ยินคนขี่สมบูรณ์ปูนสุขด้วยอามิตรด้วยสิ่งของต่างๆกินยาตายผูกคอตายเคยได้ยินเพราะเหตุว่าเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของอวิชชาอุปาทานภายในใจไม่ได้อิงอามิตรกว่าจะมีความสุขความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากิตไม่ยินดีอามิตรจะมาเท่าไหร่ก็ไม่ ท ำ, ทำจิตทาใจให้สุขให้สบายไนดะ้ส่วนธรรมะธรรสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนอา mith ผู้ใดมีอยู่ในจิตในใจจะไม่มีอะไรส่วนภายนอกแต่อํานาจธรรมะมีอยู่ภายในเกื้อใจของท่านสัมผัสกับธรรมะใจของท่านเหลื่อมใสในธรรมะใจของท่านสงบระ ง, งับด้วยธรรมะท่านมีความสุขความสบายจะไปอยู่สฐานที่ใด สบายกายสบายใจเป็นสุ ข, ขะโตสําหรับผู้ประพฤติปฏิบัติอาธิธรรมแต่การประกอบพิธปฏิบัติอาธิธรรมควรจะต้องประพฤติปฏิบัติสม่ําเสมอเหมือน ก, นกันกับกายรับทานอาหารเมือ่ อ, อยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องรับทานไปเมื่อตายไปแล้วอาหารจะมีมากน้อยขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาสําหรับกายที่ตายไปทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ยังมีกายมีใจอยู่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติเลื่อยไป จนเมื่อดใดตายแตกสลายไปใจที่บริสุทธิ์จะเป็นของบอริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการก่อพบก่อชาติอีกในเรียนไายในวัฏะอีกนี่คือถึงที่สุดทันะหยุดในการประพฤติปฏิบัติเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งหน้ามุงตาหวังศึกษาหาความสุขใส่ตัวข้องตัวก่อพึงต่างหน้าต่างตาบาเพ็ญภาวนา หาสาระของจิตในอย่างนั้นคนที่ไม่มีสาระเป็นโมฆะหาความสุขความสบายไม่ได้ถึงอายุจะแก่ขนาดไหนใจยังเป็นเด็กวิ่งวุ่นตามสัญญาอารมณ์ต่างๆยังรักยังชอบยังยินดีจิตข้องในของที่ไม่ควรจิตข้องต่างๆเพราะใจไม่มีสติใจไม่มีปัญญาไม่ได้สืบสอบคิดน้พิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นไปอย่างไร กายใจของเราไม่เป็นของคงที่เดียวต่อเปลี่ยนแปลงแปรปวนไปผลที่สุดผุลมหายตายไปอะไรที่เราสนใจอะไรที่เราติดใจสิ่งภายนอกของนอกไม่ใช่จะเป็นเพื่อนที่ติดตามตัวของเราถ้าหากยังมีพบชาติต่อไปด้วยอานาจที่เหลือตัณหาที่มีแฝงอยู่ในใจคนกะต้องมีเกิดตายแล้วเกิดอีกเกิดแล้วอาศัยอะไร ถ้าหากไม่มีบุญกุศลก็จะเป็นคนยากจนเขินใจทุกยากลําบากหากมีบุญมีกุศลสะสมเอาไว้บุญกุศลที่เราทําก็จะติดตนตามตัวไปสู่ภบน้อยภบใหญ่มีความสุขกายสุขใจตามความมุ่งมา่ปราถนานี่เพราะบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้จะเป็นเพื่อนสองของเราส่วนเท่าของเงินทองเราก็เคยเห็นเต็ม ตาอยู่แล้วได้ยินเต็มหูอยู่แล้วเห็นเต็มใจอยู่แล้วถ้าหากคิดเล่นไ่เสียแต่คนที่ไม่คิดไม่ดูไม่มีปัญญารอบรู้พิจารณาอะไรสิ่งของส่วนนั้นหากว่าจิตตนตามตัวไปคนเกิดใหม่ก็จะมีของมาไม่ต้องไหนหาเพราะเขาสะสมเอาไว้แต่พวกเก่าศาสตร์ก่อนนี่ไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งของเมื่อเรา ร่วมหายตายไปจะเป็นอะไรกอดตามเป็นสมบัติของโลกไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งที่จะหยิบยกติดตนตามตัวไปได้เหตุ น, นั้นสิ่งของจึงเป็นสิ่งของของโลกหนักเท่าแผ่นดินไม่มีบุคคลผู้ใดจะแบกหามไปได้คนเกิดใหม่จะต้องหาใหม่ไม่มีอะไรติดตัวเข้ามาแต่ตางหรือเสื้อผ้าไม่มีติดมาทางนั้นมีเรื่องของคนเกิดใหม่คนที่นี้กิเลสตัญหาในใจจะต้องเกิดเมื่อเกิดมาแล้วจะต้องพึ่ง บุญผึ่งกุศลซึ่งกรรมของตนที่ก่อหลางสร้างม า, าหากเป็นคนที่ได้สะสมอบวมคุณงามความดีไปเกิดก่อไปเกิดในสถานที่ดีสติปัญญาก็ดีคิดนึกอะไรก็ท่องแช่สมบัติพัฒนสถานถึงแม้ว่าจะไม่ได้แดกหามมาก็ค่อยหลางมาไหลมาด้วยอำนาจสติด้วยอำนาจปัญญาคิดหาอะไรก็ถูก สมบัติส่วนนั้นก็เกิดขึ้นเต็นขึ้นคนเราแตกกันต่างกันด้วยอำนาจบาทสนาไม่ใช่ว่าด้วยอำนาจของจิตใจใครทุกคนที่เกิดมาต้องการความสุขไม่ใช่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการความโกรธอยากยากจนแต่เธอว่าอำนาจบาทสนาของคนที่สะสมมาต่างกันถึงแม้จะมาแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรติดตัวมาก็ด้วยอานาจบาปสนาที่ฝังซ้อนอยู่ในจิตในใจนั้นจะ ต้องที่ดอผลให้คิดอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อทําไปก็เกิดผลเกิดประโยชน์ให้คนที่ไม่มีอํานาจบาตนาเป็นคนอาภัพอับปัญญาจะคิดอ่านอะไรคิดไม่ได้จะสร้างสมอะไรก็ไม่เป็นไปเสียความจเจริญให้ก็เลยเป็นคนอดอยากอยา ก, ยากจนอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปนี่เรื่องของบุญกุศลที่เราสะสมเอาไว้ เป็นเื่อนสองติดกายติดใจไปอย่างนี้ไ้เกิดในพบใดชาติใดหากบุญขูศสนที่เราสะสมเอาไว้มีอยู่ภายในกายในใจของเราบุญนั้นจะไม่เสื่อมสลายไปที่อื่นสมบตดอื่นเราจากไปเราทิ้งไปส่วนกรรมคือการกระทาของเราทั้งดีทั้งชั่วจะติดในจิตในใจของเราเลื่อยไปไปเกิดพบใหม่ชาติใหม่จะไม่สิ้นกิเลตัญหาเหมือ่อใดกรรมที่เราสะสมเอาไว้ ไม่ว่าความดีความชั่วจะไปปรากฏตัวในพบในชาติหนนั้นให้ได้รับผลไม่ว่าความดีความชั่วจะแสดงผลออกเมื่อเกิดขึ้นดีชั่วต่างๆจะเปลียนไปตามอํานาจที่เราสะสมมาพบเก่าชาติก่อนท่านจึงว่า <c oughs> เป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยจิตตนตามตัวไปความดีชั่วจึงเป็นเงาสําหรับจิตตัวไปจึงจะไม่ปรากฏในที่มืดก่อตาม เมื่อถึงที่สว่างจะต้องปรากฏขึ้นเงาคนไปสถานที่ใดเงาจะต้องตามไปจะขึ้นเขาหรือลงน้ะเงากดจะต้องตามไปชันใดบุญกรรมที่พวกเราสะสมอวบรวมเอาไว้ก็เหมือนกันกันกบเงาจิตใจจิตใจของเราเลื่อยไปอย่างนั้นจนไปถึงที่สุดสมมตินิพพานเมื่อใดเมื่อนั้นจะหมดเรื่องตามส่งพูดถึงเรื่องของาําไม่สามารถที่จะ ทำให้ดีและชั่วอีกได้ฉันจึงว่าเป็นโหัวสีกรรมไม่บ่ากรรมดีกรรมชั่วจะไปหมดตัวเมื่อจิตเป็นมีมุตหลุดออกจากสมมุติทั่วไปหมดพบหมดชติภายในรู้จักในการต่อพฤชปฏิบัติของตั ว, วเรื่องของใจที่เคยติดขอ้องเศร้าหมองต่างๆของสงสัยสงบระงับต่างๆเคยเห็นเคยเป็นมาด้วยการบาเพ็ญสมาธิภาวนา แต่เวลานี้จิตจิตเป็นอย่างนั้นไม่มีความหลุดเป็นอย่างไรความพ้นเป็นอย่างไรประทับในจิตในใจไม่ใส่จิตสงบไม่ใส่จิตจิตคล้องไม่ใส่จิตเต้าหมองหรือปองใสเป็นจิตจีตเป็นวีมุดพ้นจากสมุดพ้นจากความเห็นความเป็นมาก่อนจิตชนิดนี้ตัวเองไม่เคยเห็นเคยเป็นมาพอไปเห็นไปเป็นไปฝึกอบรม ถึงที่ถึงฐานจะหายสงสัยว่าจิตอันนี้จะเป็นไปอีกอย่างไรบําเพ็ญต่อไปจะเจริญหรือไม่ปล่อยไว้จะเสื่อมจะเสียอย่างไรหมดสงสัยหมดเรื่องอากาศถังกระถาในจิตในใจของตัวนี่คือความาหลุดจากวิเลตันหาอาสวะต่างๆผู้ประพปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดยินมุมดได้อย่างนั้นก็หมดเรื่องที่จะ กังวลวุ่นวายภายในตัวจะอยู่สถานที่ใดไปหรือยังตายหรือเป็นไม่เป็นปัญหาเพราะว่าความบริสุทธ <leurs> ิ์ของจิตของใจที่เราปรารถนามาในสาวัติผีพบผีชาติสะสมอารมณ์ความดีมาก็ปรารถนาวีมุตคือความสิ้นสุดของผบชาติต่างๆเราไปจับเห็นเด่นขึ้นโดยการปฏิบัติ โดยการภาวนาของเราแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปารถนาอีกต่อไปตายเมื่ อ, อไรก็ไม่มีเสียใจเพราะรู้เห็นเด่นอยู่ความที่ไม่ตายอะไรที่ตายไปก็เข้าใจชัดเจนอะไรที่ยังเหลืออยู่ก็รู้ก็เข้าใจอีกเมื่อเป็นเจนนั้นท่านจึงไม่มีการเสียอกตกใจในเมื่อเวลาตายไปหรือยังอยู่ท่านเป็นผู้วิเศษสําหรับท่านถึงคนอื่นจะไม่เห็น ว่าท่านเป็นผู้ดีเด่นวิเศษอย่างนั้นก็ช่างเขาแต่ตัวของท่านใจของท่านรู้เข้าใจไปจากอยู่ทุกการทุกเวลานี่คืออำนาจพลวนาะการทําความดีสนับสนุนมาถึงที่จนเป็นมีมดุดแต่จะรู้เห็นเป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยการประพฤติปฏิบัติทำเทียนเป็นของสาคัญที่พวกเราท่านไม่ควรล้นละจะต้องตั้งหน้าตั้งตาทาเรื่อยไป ความเพียรทางกายทางใจะพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้ว่าให้ละเรี่ยงชั่วระวังเรี่ยงชั่วนี่เป็นทางละให้บำเพ็ญความดีรักษาความดีที่นี่อยู่ไม่ให้เสื่อมให้เสียไปนี่เป็นทางบำเพ็ญทางดบทางดีควรทุกคนจะสนใจรักษาความเพียรไว้ใจที่นึกคิด เป็นของสําคัญที่กายจะไปทําไปปราชาจะไปพูดก็ออกจากเรื่องของจิตใจใจคิดนึกไปในทางใดปรมยากจะพูดจะทําในทางนั้นฉะนั้นเรื่องสติคอยรักษาว่าการนึกคิดอย่างนี้เป็นทางดีทางชั่วอย่างไรปัญญาคอยแนะสอนห้าเป็นทางผิดกรรมชั่วจะติดตัวเรื่อยไปเราไม่ต้องการความชั่วเราไม่ต้องการความทุกข์เราไม่ต้องการควรามเดือด ร, ร, ร, ร้อน ทำไมไปนึกคิดอย่างนี้สอนจิตสอนใจของตนให้เห็นเหตุเห็นผลใจเมือ่อรู้เมื่อเห็นเหตุผลชัดเจนแล้วจะยอมจำนนไม่ยอมคิดยอมปรุงไปในทางชั่วสิ่งใดเป็นทางดีที่จะทำความสงบให้แจ้ใจทำไปแล้วมีความยินมแย่มแจ่มใสมีความปีติเต็มใจมันกระทำบำเพ็ญมันสะสมรวมส่วนนั้นให้มากขึ้น ที่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นได้รับความป่อนใส่ด้วยอุบายบดีเทียดใดรักษาเอาไว้อย่าให้เสื่อมให้เสียไปนี่เรียกว่าความเพียนทางพระพุทธศาสตรนาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนพุทธบริษัตธไม่ว่าจะเป็นขลือหัดหรือบันทตถ้าผู้ใดสนใจละชั่วบําเพ็ญดีอยู่อย่างนี้ได้ชื่อว่าผู้มีความเพียนพยายามทําความเพียรคือละชั่วในตัว ให้หมดไปใจที่เคยโลภเคยโกรธเคยหลงมันชำระตัจสังเพราะเป็นเรื่องที่จะนำมาถึงความชั่วต่างๆใจที่ไม่โลภมีความสุขอย่างไรไม่โกรธมีความสุขกายสุขใจอย่างไรไม่หลงมีความสุขอย่างไรจะรู้จักเข้าใจในเมื่อผู้นั้นที่นี้พิจะะารณาแล้วรักษาจิตใจไว้ไม่ให้โลภให้โกรธให้ใหลงไป ในอารมณ์ต่างๆตาได้เห็นก็อย่าไปลุ่มหลงในรูปหูได้ฟังก็อย่าไปลุ่มหลงในเสียงจิจาราในจิตของตัวรู้เท่าได้ชื่อว่าปัญญารู้รอบในเรื่องต่างๆเมื่อรู้รอบในสิ่งต่างๆได้ใจจะต่องสบายใจจี่ไม่มีโลกใจจิตไม่มีโกรธใจจิ่ไม่มีหลง ก, ก, ก็เหมือนกันกับกายที่ไม่มีโครคไข้ข่เก็บเหมือนกายที่ไม่หิว โอยอะไรจะทำอะไรก็สะดวกสบายจะนัง่งจะนอนก็มีความสุขตายไม่มีโรคตายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวเป็นอย่างนั้นใจของพวกเราท่านก็เหมือนกันเมื่อกำจัดโรคโกรนหลงออกไปกำจัดความชั่วออกไปใจจะพ่องใสใจจะเยือกเย็นใจจะเป็นสุขก็ไม่ใช่คนอื่นที่จะทำให้นอกจากตัวของเราดัง น, นั้นเราทุกคนสิส้นใจ มุ่งหวังความสุขกับพึงทีนิพิจารณาเราทำมาคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาอกอบจิตกอบใจที่เศร้าหมองขุนมัวต่างๆให้ผ่องใสให้เยือกเย็นให้สงบแล้วจะมีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรและจิตใจของอริยะเจ้าเป็นอย่างไรเราใจะเห็นจะเป็นอย่างนั้นไม่มีทางสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจ้า ว่าการล่วงไปได้หลายพันปีมักผลจะมีหรือไม่เพราะเราไปจากในใจในการแต่เพื่อปฏิบัติรู้เห็นเต็นอยู่ในตัวข้องเราก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะสงสัยอัดทำที่พระพุทธเจ้าต ร, รัสเอาไว้ว่าเป็นอาการนิโกหรือไม่พอใจเห็นใจรู้จะหมดเรื่องสงสัยในอรรัดทำหากยังแต่สุ่มเดาไม่ ประพื่ิปฏิบัติให้รู้เห็นเป็นขึ้นความสงสัยจะเรียนมากมาขนาดไหนก็ยังจะมีการสงสัยเลื่อยไปความรู้ของโลกไม่ใช่ความรู้ที่จบสิ้นเป็นส่วนความรู้ของธรรมมีการจบการสิ้นด้วยการปรพิปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงในจิตในใจว่าวีมุตเป็นอย่างไรจะทำอะไรอีกจิตจึงจะดีเด่นขึ้นมันไม่มีความอยา ของจิตของใจคือเมืองพอเมื่อไปถึงดีมุติถึงที่สุดของการต่อพืชปฏิบัติแต่นั้นพวกเราท่านทุกคนผู้ต้องการความสุขความเจริญถึงพากันต่างหน้าต่อพืชปฏิบัติกว่าจะมีแต่ความสุขกายสบายใจเรื่อยไปการอธิบายธรรมะวันนี้ผมเห็นวน่าขอสมควรเสด็เวลาบอกยุติแข่งแตนี้เรียบร น, นี่เป็นวันธรมธรมะโซนะ ในทางศาสนาและมีหลายท่านหลายคนมาจากทิ่ต่างต่างต่างประเทศฉะนั้นจะพูดธรรมะในด้านปฏิบัติที่พวกทัตทั้งหลายสนใจอิสาพยายามมาแอบแล้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่มีอื่นใดไปจาก กายใจของพวกเราท่านเพระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นจัดสรู้จัดสรูอร้อริยสัจอริยสัจก็ไม่ใจที่อื่นคือทุกส ม, มุทยัยนิโรธมรรคซึ่งทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลมีอยู่ในกายในใจของพวกเราท่านทุกคนไม่ใช่าัณเตงหนาะมาจากที่อื่นฉะนั้นพวกเราท่าน ถึงมีกายใจก็ได้สื่อมีสมบัติอยู่แล้วแต่ะารทำสมบัตินั้นให้เป็นสารประโยชน์หรืออย่างไรนั้นก็เป็นเพราะความโง่ความสลาดของพวกเราท่านไม่ใช่เป็นพเพราะเหตุอื่นเพราะเรื่องทุกส ม, มุทยที่จะควรกำหนดรู้หรือลาถอนก็เป็นเรื่องปัญญาที่จะทิเช น, น่าแก้ไข ทุกมันนี่อยู่อย่างไรถ้ารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เขา้าหงห่วงเลือยเยึดถือทุกข์ก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติของมันสมุทยัยความไปเกี่ยวเกาะในเรื่องต่างๆทําให้นึกอยากในรูปเสียงเรื่องราวตลอดถึงความเป็นอยู่และไม่ชอบ จิติใจในสิ่งีิต้นไม่ป่าถนาเรียกว่าสมุทัยทำจิตทำใจของคนที่ไปอยากไปยึดถือนั้นให้เกิดทุกข์ถ้าเราเละเราถอนด้วยสติด้วยปัญญาด้วยวิชาความรู้ที่นี้ที่เจรณาปล่อยปะลจชิงไปเสียความอยากนั้นก็หมดไปจากใจของเรา ทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นกันเรียกวันนี้โลธความรู้เห็นปล่อยวางทุกข์ความดับทุกข์ภายในใจมาขอปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้แนวสอนสับพระสัตว์ก็มีอยู่ในกายในใจเหมือนกันเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนผู้สนใจปฏิบัติจะนำมาที่นิติเจรนา ทำสติปัญญาของตนให้ก้าวไปในข้อปฏิบัติที่ท่านบัญญัติเอาไว้ใจจะมีความของใสละถอนความยุ่งเหยิงต่างๆผลที่ตึกก็จะถึงวีมตความหลุดพ้นจากอาสวะถึงดองของใจให้มีความสว่างสวัยมีความเบาสบายไม่คิดข้องในสิ่งทั่วไป เมื่อใจใน่ิดข้องใจเป็นวีมุตส ม, มุิจึงเรียกว่าธาตุันหรืออะไรทั่วไปซึ่งเราเกิดมาใช้กันอยู่จะเป็นชาติใดภาษาไหนก็ตามก็มีเหมือนกันเรื่องวีมุตส ม, มดุดแต่จะพูดคิดกันออกไปใจจี่เป็น สิ่งเกี่ยวข้องผมมีเหมือนกันที่จะไปจิตในสมมุตินั้นจึงเป็นเชื่องกบเรื่องรีมมทไว้ไม่หายใจรู้เห็นตามเป็นจริงและลาถอนเมื่อใจของพวกเราผูกพึ่งปฏิบัติอาศัยปตรษปัญญาอาศัยวิชาความเพียรต่างๆเข้าไปพินิษที่จะได้นาแล้วปล่อยวางตามสภาพความเป็นจริงของมัน ใจนั้นหลุดลอยออกไปอย่างไรซึงเรียกว่าวิมุตต์ก็ไม่มีทางที่จะสงสัยเพราะเราไม่เคยเห็นเคยเป็นเคยรู้ว่าความเห็นความเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรพอไปเจอเข้าเราเองก็จะประจักษ์ในใจเป็นสันติติโกหรือปัจจักตังโดยไม่มีความสงสัยว่าชาติพบต่อไปจะมีหรือไม่ เพราะความประจักษ์ในใจที่ว่าจิตเป็นมุดหลุดลอยออกไปจากสมมุติอย่างไรความคิตข่องในที่เละตันหาในพบชาติต่างๆมีหรือไม่ความอยากซึงเคยฝังใจมาแต่ไหนแต่ไรแต่วันเกิดหรือพบก่อนก่อนจะตกออกไปหมดออกไปไปนีอะไรที่ห้างเหลืออยู่กับความบริสุทธินั้นจิตของท่านทีเป็นอย่างนั้น เป็นจิตสุ ข, ขะโตไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดมีความสุขเสมอไปไม่คุณมัวไม่เศร้าหมองไม่เพิดเพลินไม่หลงไหลไม่ตามอะไรพวกไปึ ช, ชื่อว่าสมมติไม่มีบันไดมีสะพานไปถึงท่านจึงบริสุทธิ์ทั้งเมื่อท่านอยู่ธรรมดาและท่านจะเข้าที่ภาวนาความบริสุทธิ์นั้นก็ไม่แปรผันไปเป็นอื่น บริสุทธิ์อยู่ทุกวันทุกคืนจนกระทั่ ง, งวันดับคือปรินิพานมีพวกเราท่านที่สนใจมาประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ฝึกหัดอบรมตัวของตัวดีชั่วไม่ใช่เกิดขึ้นจากที่อื่นเกิดขึ้นจากตัวของเราทางนั้นจิตที่เศร้าหมองผ่องใสก็เพราะมีเหตุให้เป็นไปไม่ใช่ว่าเศร้าหมองไม่มีเหตุผ่องใสไม่มีเหตุเราบำเพ็ญความชั่ว ทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นการทำโดยกายหรือพูดโดยวาจาหรือคิดโดยใจความชั่วที่เราทําไปทําให้เศร้าหมองทําให้ขุ่นมัวทําให้เดือดร้อนเรียกว่าสมุทรไทยจิตทุกข์ให้แก่ใจของตัวความชั่วมากเข้าเท่าไรใจไปคิดนึกติดตามเรื่องของความชั่วก็ได้รับความเดือดร้อนแผดเผา ถึงแม่จะไม่สแสดงออกถึงทางกายวาจาใจใจก็ได้รับสม่ำเสมอไปเพราะคิดเห็นความชั่วที่ตัวทำผิ ด, ดที่ผิดไปจากความเป็นจริงก็เลยแผดเผาตัวเองเป็นนรกหมกไหมอยู่ทุกวันทุกเวลาจะไปสถานที่ใดไม่จิตใจของคนนั้นจิตใจที่มีความชั่ว เขาแพดเผาจะไปอยู่สถานที่ใดอาจาศจะหนาวเย็นจนตัวสั่กใจใจก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่มีความสงบไม่มีความสบายถึงสถานที่อยู่จะสงบวิเวกขนาดไหนใจที่ชั่วที่เสียก็มีความทุกอย่างนั้นเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านยึงสอนแคละอย่ากล้าในการทำชั่วคิดชั่ว ผู้ชั่วต่างๆเพราะจะติดตัวตามตนไปให้ได้รับทุกพระพุทธเจ้ารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นพระองค์ท่านได้กำจัดปัดเา่าความชั่วต่างๆออกจากใจมีความสว่างสวัยเยือกเย็นอย่างไรจึงนำมาสอนสันโลกพวกเราที่เลื่อมใสกัดทาในธรรมะธรรมสอนของท่านจงหมั่นขยันประพฤติปฏิบัติ ตัวของตัวละชั่วบำเพ็ญดีให้เกิดมีขึ้นจิตใจที่เคยมืดดำดำมัวต่างๆจะรู้ตัวว่าคอยจางไปสว่างสวัยขึ้นแทนมีอเนกสงของการประเพื่ปฏิบัติกาจัดชั่วบาเพ็ญดีให้เกิดมีในตัวของตัวรู้เห็นเป็นจริงขึ้นไม่อย่างนั้นศาสนาธรรมะของพระพุทธเจ้าจะไม่ยังคงเส้นคงวา ม, มา เพราะผู้ปฏิบัติผู้ภาวนาไม่รู้เห็นเป็นจริงอย่างไรได้คนที่ฝึกหัดดัดตัวมีแต่ความชั่วความเสียจิตใจที่เคยกลนมัวมืดดำอยู่อย่างไรมาภาวนากำจัดความชั่วมากระทำดีเพื่อชำระสาสางจิตใจก็ไม่เห็นอะไรแปลกประหลาดยังคงขีดอยู่อย่างนั้นใครเล่าจะยินดี มีศรัทธาประพฤติปฏิบัติกันเมื่อเป็นอย่างนั้นธรรมะก็จะต้องเสื่อมสลายหายไปจากโลกอันนี้ยังมีผู้ยินดีศรัทธาเชื่อมั่นในการประปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในจิตในใจของตัวกว่าการตกพิสิทธิบัติธรรมะชาระกายวาจาใจจากชั่วเป็นของที่ชาระได้จิตใจเยือกเย็น เป็นทำอย่างไรก็รู้ก็เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงมีศรัทธาเชื่อเรื่มใสยินดีเต็มใจประพฤติปฏิบัติที่สงบส ง, งัดไม่อยู่สถานที่ใดอุตสาพยายามไปถึงใจยากจนเข็นใจลำบากในความเป็นอยู่แต่เชื่อว่าจิตใจได้รับความสุขความสบายจากการพิจิรณาจากอัธรรม ในสถานที่หล่นั้นเป็นอาหารของใจให้ได้รับความสะดวกสบายภายในการทุกยากลำบากด้านข้องกายก็เลยไน่ถือเป็นอุปสรรคสำคัญเลยยินดีพอใจในที่สงบสงัดยินดีปฏิบัติเพื่อกำจัดชั่วออกจากตัวสม่ำเสมอแต่นั้นธรรมะจึงยังคงเ็นคงวาตลอดมาถึงกระทั่งพวกเราปฏิบัติ ในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะครั้งพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันหรืออนาคตต่อไปข้างหน้าหากว่าประพติปฏิบัติอาจทมถูกต้องก็จะได้รับผลคือมีความสุขขึ้นแก่ตนของตนอย่างประจักษ์ใจเพราะธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอัาลาิโกไม่มีการมีสมัยผู้ตั้งใจประพืชปฏิบัติ กำจัดชั่วเมื่ อ, อไรความชั่วจะตกออกไปความดีเมื่อเราตั้งหน้าต่างๆตาเพื่อปฏิบัติให้มีขึ้นและรักษาเอาไว้ความดีก็จะมีในจิตในใจของตัวทำคําสั่งสอนไม่มีมากไม่หลายหลวงอะไรถ้าหากจากที่นี้พิจารณากันโอวาทของท่านเี่มาแนี้ยสอนสัตว์โลกหม่ยว่าพระพุทธเจ้า แต่อดีตที่ล่วงมาแล้วกว็าตามหรือปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าที่ประตาทศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาอยู่ทุกวันนี้ก็มีอันเดียวกันคือให้ละชั่วละความไม่ดีทางกายทางวาจาทางใจแล้วบำเพ็ญบุสลคือความฉลาดให้เกิดมีขึ้น ในจิตในใจของตนทําจิตทําใจที่เมืดมลหมุนมัวให้ผ่องแผ้วผ่องใสไม่จิตหล่องในชีเลตอาสวะใดาๆฉนั้นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พวกเราถึงเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังจากพระโอ์ของพระองค์แต่โอวาดคาสอนก็เป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่ผู้ใดหมั่นคิดนะิยิเจรณาหมั่นศึกษา มันต่เพื่อปฏิบัติก็จะเห็นจะเป็นขึ้นเพราะธรรมะไม่ใช่สมบติของใครเป็นสมบัติของคนทั่วไปผู้มุงต่อพืปฏิบัติหาเรามีกายมีใจไม่ต่พเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปสมบัติส่วนนี้ก็จะเสียไปปล่ถึงวันถึงเวลาแตกสลาย <c oughs> กว่าจะแตกสลายไปตามเรื่องของมันดังนั้นเมื่อเวลาเรามีกายมีใจอยู่ จงอุตส่าห์พยายามทำคุณงามความดีเอาประโยชน์จากร่างกายจากชีวิตของเราพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราชำระชั่วชั่วมีอยู่ที่ใดถ้ามันเกิดขึ้นจากกายจากใจเพราะที่อื่นเขาไม่ชั่วเขาไม่เสียทุกข์ก็ไม่ใส่มีอยู่ที่อื่นดินผ้าอากาศเขาเปิว่าเขาเป็นทุกข์ ที่อยู่ที่อาศัยที่ไหนๆก็เหมือนกันเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ก็คือจิตของเราที่ไม่ชอบในสิ่งหนันน้นไม่พอใจในสิ่งหนั น, นั้นหรืออยากได้ในสิ่งหนันน้นทำให้จิตใจของพวกเราเกิดทุกข์ขึ้นด้วยปรารถนาไม่สงบังทำให้เกิดทุกข์เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นจากใจทางสัระกวรต้องสัระใจ เมื่อใจไมนมีทุกสิ่งอื่นมันก็ไม่มีทุกทั่วไปการสําระทุกข์จากใจก็คือการสําระความติดห้องทำไม่เห็นตามเป็นจริงในสิ่งหนั้นให้มันที่นิพพิจรารณาธรรมที่ท่านสอนไว้ว่าอนิี้จังทำให้เที่ยงของสิ่งทั่วไปของสังขารทั่วไปให้เข้าใจตามเป็นจริง ถ้าไม่เที่ยงเป็นอย่างไรทุกท่านทุกคนก็คงจะรู้จะเข้าใจว่าอะไรในโลกเที่ยงไม่มีเป็นไปตามสภาพของมันเกิดขึ้นเริ่งต้งงปปนก่าแปรปวนในธรรมชางแล้วก็แสบสลายแต ใ, ในที่สุดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์หรือสิ่งก่อส ร, สร้างต่างๆเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตใจของพวกเราท่านเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ คามยึดถือในธาตุในขันในตัดในบุคคลว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็จะละเลิกไปเพราะพิจาณาเข้ามาภายในที่เราหรือว่าเราว่าคนว่าสัตว์อะไรกันเนี่ยที่เป็นคนเป็นสัตว์จิตจิงไปยึดมั่นสำคัญหมายาหยิงบาชายว่าเราว่าเขาพิจรารณาลงไปตามสภาพของธาต ก็จะเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่ท่านบัญญัติเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าคนว่าสัตว์ื่อเป็นอย่างนั้นจิตที่ไปลุ่มหลงยึดถือเป็นทางที่ถูกที่ชอบหรือยังเมื่อไม่เป็นทางที่ถูกที่ชอบเราก็ปล่อยได้ละได้ไม่ยึดถือในเรื่องของกายของขันเมื่อไม่ยึดถือ คามที่จะดีใจเสียใจในเมื่อสิ่งเหล่านั้นแตบพวนหรือแตกสลายไปมันหมดทางที่จะยึดถือเมื่อ ม, มีการยึดถือความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นพอรู้เห็นตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตที่เจรนาเห็นตามเป็นจริงตามสภาพของมันเรียกว่าทิฏฐิภูตัง มันมีอยู่อย่างไรให้เห็นอย่างนั้นพิตรีภูตังางานนะทัดปนังเมื่อเรารู้เห็นตามเป็นจต็งอย่างนั้นจิตใจผูกตัวเพื่อปฏิบัติจะปล่อยวางละขอนความยึดถือต่างๆแต่พวกเราท่านไม่ได้มันที่นิพพิจารนาหรือที่นิพพิจารนาก็ายังไม่ถึงจุดที่จะละแจะถอนจิตเตงมยึดถืออยู่ หมั่นที่จะรายงาบ่อยจนจิตของพวกเราหูเห็นตามเป็นจริงจิตจะละถอนยึดถือหน น, นั้นจิตจะเป็นมมดถึงที่สุดของอรรักขามในเมื่อตั้งหน้าตั้งตาภาวนาประพฤติปฏิบัติจริงจังฉะนั้นพวกเราท่านที่มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติข อ, อยาพากันประมา a ลืมหลงมัวเมา ในอารมณ์สัญญาต่างๆให้สม น, นึกอยู่เส ม, เมอว่าเรามาประพฤติปฏิบัติกำจัดความชั่วในตัวของเราจะบำเพ็ญความดีให้ถึงที่สุดในภาษาสนาจะให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระนิพพานในเมืม่งนอนใจไม่ไว่าอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดกำหนดที่นิพิจารณา อยู่ส ม, ม่ำเสมอไปจิตใจที่ทัก้อหมั่นที่นิธิจรณาจิตนั้นแหละจะฝ่องใสเบาสบายรู้อดเห็นธรรมไปจากขึ้นไม่อย่างนั้นจะไปอยู่สถานที่ใดเงียบสงบขนาดไหนแต่ใจของเราขะนำอารมณ์ทัญนยาที่เป็นอดีตอนาคตมาวงคิดสม่ำเส ม, เมอไม่ได้ที่นิพิจะะารณาเรื่องปัจจุบัน ต้องอัดทำวันเวลาหรือที่สงบสงัดก็เลยไม่สงบสงัดให้เพราะสงบจากอารมณ์นอกสงบจากผู้คนก็มายุง่งวุ่นกับสัญญาอารมณ์ของตนเลยไม่มีทางที่จะได้รับผลคือความสุขความสบายให้พระพุทธเจ้าจึงให้กำหนดบทธรรมต่างๆตามจิตนิสัยใครชอบอะไรที่จิตเคย ปลุกปูลิานต่างๆมารวมอยู่ในบทบริกรรมหรือเพลงที่นิเทศนาะอยู่ในจุดหนึ่งจุดใดจนจิตใจรวมรวมสงบได้นั่นบงต้นที่จะเห็นผลความอัศจรรย์นในตัวของตัวคือเราได้ <c oughs> รู้เห็นความสุขความสบายที่จิดได้ไปเกี่ยวข้องสัมผัส ในจิตในอา m i t ์ยึดถือในกายต่า ง, ารงๆรวมเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวสงบระงับเยือกเย็นอย่างไรจะไปจากในใจและความสุขส่วนนี้แต่ก่อนเ่าเราไม่เคยมีเคยเห็นเคยเป็นเคยรู้พอม า, า ป, ปฏิบัติเอาจึงเอาจังความเป็นอย่างนี้เกิดมีแก่เรามีเป็นขัน้นต้นที่จะให้ทุกคนเชื่อเหลื่อมใสมีใจ อยากอยากปฏิบัติเมื่อจิตแต่ับความสงบสงัดรวมรวมพอสมควรรู้เห็นเป็นอยู่ในจิตในใจของตนมีพื้นฐานของจิตคือความสงบแล้วก็ให้มันยินิีิจาจณาเกิดตาจิ่งต่างๆเรียกว่าริปัสนายานยินิีิี่จณาคิดอ่านเื่อถอดถอน ความจิตของห้องใจห้อใจมีกำลังด้วยความสงบสงัดมีกำลังด้วยสมาธิปัญญาที่ที่นิที่เจนนะก็จะแก้วก้าแหลมคมสามารถที่จะตัดอารมณ์สัญญาต่างๆที่เคยจิตข้องขาดออกไปได้ฉะ น, นั้นพวกเราทั้งหลายที่มุ่งมั่นมาเพื่อปฏิบัติโปรจงพากันตั้งหน้าตัางตา ชนิดที่เจรณานะและมาเพื่อปฏิบัติจริงจังจริงจะรู้เห็นผลในทางศาสนาได้ไม่อย่างนั้นจะสงสัยในตัวของตัวเรื่อยไปจนตลอดวันตายจะเมาเอาว่าเราไม่มีวาสนาหรือวาสนาของเรายังอ่อนยังไม่รู้เห็นเป็นจริงอะไรให้กวาเพราะเรา ไม่ตจางหน้าต จ, จางตาประพฤติปฏิบัติจริงจังถึงจะมีวาสนามากขนาดไหนถ้ า, าไม่ทำจริงจังมันกบไม่เป็นให้เหมือนกันกับอาหารถึงจะมีมากเท่าไรถ้าเราไม่รับประทาน ม, มันก็ไม่อิ่มนี่เพี่งรู้ว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเรามีวัฒนาสูงป่าสัตว์มาจึงได้มาเป็นมนุษย์เราควรที่เป็นมนุษย์ สามารถที่จะทินิติเจรนาสามารถที่จะปฏิบัติกายวาจาให้เข้าถึงศาสนาได้ศาสนาคือคําสอนของพระพุทธทเจ้าท่านสอนอย่างไรเราก็พอทราบได้แล้วประพฤ่อปฏิบัติกายใจพวกเราให้เป็นไปอย่างนั้นเมื่อพวกเราท่านอุตสาห์พยายามบังคับบัญชากายวาจาใจพวกเราให้ประพฤติปฏิบัติ ไม่อาจทำแล้วทำย่อมคุ้มครองรักษาให้ผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วอารมณ์ที่เคยชั่วจั่วยู่จิตใจหลงไหลเพลเพลินต่างๆจะหมดไปทายไปจางไปจิตใจจะมีวันผ่องใสสว่างสวยมีความสุขทุกกิริยาบทฉะนั้นพวกเราท่านจึงไม่ควรมองข้าม แลนะไม่ควรหลงไหลว่าเราไม่มีวาสนาเรามีวาสนากันทุกคนคนมมีวาสนามนเดมาเกิดเป็นมนุษย์คนไม่มีวาสน า, เ, เ, นนน า, นาเขาตายไปมเ่เรียนดับรรบฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเราทุกคนได้สื่อว่ามีวาสนามีบาลามีเพียงพอบริบูรณ์ขอให้เร่งกะรทำบำเพ็ญจิตใจของตน ให ร, รู้เหตุเห็นผลในทางศาสนาจะมีความสุขทุกการทุกเวลาการอธิบายธรรมะผมเห็นแบบพอสมควรป็นเวลาพออยู่จิตเพียงแค่นี้เวัว